เออเลยตั้งใจให้ตรงจำลองจิตให้มัน่นเอาให้มั่นเลยการรูโลโร้ลมหายใจข้อขออกไปสักหานาทีสิบนาทีนะแต่ทำก่อนแล้วขอแนะนำพระกรรมฐานกองหนึงทึงเหมาะกับทุกๆคน่ว่าคุณเธอจะมีจริตทางด้านไหนก็ตาม ถ้าสามารถจะปฏิบัติกรรมาฐานกองนี้ได้เหมือนกันหมดจนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วแต่ว่พาะคาว่าเมตตาจะแปลว่าความรักกรุณาแปลว่าควารรมสงสารพุทธิตาก็หมายถึงการที่เรามีจิตจินดีอเดุเบกขาก็าหมายถึงการที่เรายอยามรับความเป็นจริงแล้วก็วางเฉย กาเจริญความยึหันตีหรือ ว, ว่าจเจริญตามรักจเจริญตามสงสารผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแ จ, จ่มแจ้งแทนที่จะทําให้เมตตาเป็นสุขเมตตก็เป็นตามต ท, าาทุกข์ได้แทนที่ปางกรณาจะนํามาเปงความสุขก็นํามาถึงความทุกข์กกได้แทนว่ากามยินดีจะเป็นาตามสุข ก็นำให้เกิดกฎ ข, ของกรรมนำมาเรื่ความทุกข์ได้จะกภายหลังความใจไม่เป็นก็เป็นทุกข์ในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเธอผลิกตการเจ็งในข้อนี้ไม่ได้เธอมีแน่นอนคารักความสงสารแต่จะพอกคนที่ใกล้ตัวตัวของเธอมากที่สุด เราต้องมีเตียงนี้ยืดยืดให้แน่นอนถ้าใจของเรากว้างขึ้นอีกเราก็จะมีกับคนที่รอบรอบตัวเราที่เป็นหูยา่าเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนผูมแต่ถ้าใจเรามีน้ําใจน้ําใจเรากว้างขวางไปอีกก็จะมีกับบุคคนที่ไม่ใช่ยากแต่กาเลิกก็จะให้เฉพาะคนที่สมควรจะให้ แต่ใจรักว้างขวางไป อ, อีกถึงจะไม่ใช่ญาติจะเป็นนิสและเป็นศัตรูก็ยินดีที่จะมีความรักมีความตสงสารให้อยู่เสมอแต่จิตใจนั้นกว้างขวางขึ้นไปอีกจะรักทุกคนและสงสารทุกคนเท่ากับตัวเองไม่มีลำเทียนไปกับคนผู้ใดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร เป็นยาตไม่ตช่ยาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม่แต่จะเป็นปัตยไรชาติก็มีความสมเป็นเสมอเท่าเทียมกั น, กนที่จะแด้ออกจากใจของเราเพื่อเป็นเติมด้วยความเมตตากรุณามุทิต า, า, ตาและ็อุบเบกขาแต่วันนี้จะพูดเฉพา ะ, ะเรื่องเมตตาตนเองเรื่องสองสาตัวเองเป็นสำคัญ ใน้ำติ๊กที่เจรนาตามเราไปนะว่าสิ่งที่เราเดือดร้อนมากก็เพราะจมัวจะเป็นเมตตาชาวบ้านสงสารชาวบ้านจนทาให้ใจของเราเองเนี่ยทุกข์เศร้าหมองกระสับกระ่ายเราหมดจะห่วงใยใจคนอื่นใจใจของตรเองกลับมีความเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์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 นี่มันเกิดขึ้นกับเธอทุกคนแล้วเธอก็จะเห็นว่าสิ่งที่เธอได้กระทาอย่างนี้เธิมหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความต่างกันตายมีแต่ความวุ่นวายมีมแต่ความปิดตั้งจะเอายในใจของเธอได้เลยวสิ่งที่เราตู้เป็นอย่างนั้น แล้วทำไมเราจึงจะไม่ตาจากคนอื่นนะทำไมไม่ไม่ตาตกวเราบ้างเราเป็นใครใจเรามันเป็นของใครมันเป็นของคนอื่นได้ยังไงแล้วใจมันเป็ของของเธอเธอจะชอบุระไม่สนใจใจตัวของเธอเลยหรือแล้วมันจะสนใจใจของคนอื่นเขาแล้วใจคนอื่นน่ะเขาช่วยให้เราเป็นสุขไหม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 ช่วยไม่ได้แต่ถามว่าใจอยากช่วยจะทํำยังไงถ้าเรา อ, อ่อนแอเราก็ขอให้คนอื่นช่วยแทงเราที่เขาเแข็งแขรงถ้าไม่มีคนอื่นละจะทํายังไงเราก็หาสิ่งนใดที่สามารถจะช่วยเขาได้โดยที่เราก็ไม่สาย แต่ว่าทําอย่างนี้เราก็จะเป็นคนใจดำน่นจิต้าใจดำแล้วก็เดินหายไปแล้วเดินไปแล้วไม่สนใจเรกไม่ใช้แม้กระทัง่งความคิดที่จะต้องคิดช่วยเหลืออะไรจะ mm hmm. เสียเวลากระทั่งความคิดจะเป็นให้มีแน่ใจใจดำแต่นี้เรามีคามเมตต า, าจึงคิดนักค น, นหาวิธีที่จะช่วยอย่างเต็มวัตเต็มหนนแต่เราโดดลงไปช่วยก็ตายทั้งคู่ ก็ไม่จะมาช่เขาได้ช่วยเขาก็ไม่ได้ตัว เ, เองก็ตายไปด้วยทุกไปด้วยนั่นเองตุกตามาวาย่างนั้นแล้นเจรต้องทำเนี่ตัวของเราแข็งแรงก่อนถูกต้องไหมถ้าเจรแข็งแรงแต่แล้วเจรจะลงเข้าไปช่วยใครมันไม่ยากเราพอช่วยได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าใจของเราเนี่ย มันยังช่อจตัวเราเองไม่ได้ณเวลานั้นเนี่จะไม่สามารถจะไปหยุดเยี่ยนช่วยใครเขาได้เลยไอ้สัจจ ะ, จะมากแค่ไหนจะสงสารม า, า ก, กจักจิตจับใจเพียงใดเขาก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปช่วยเขาได้ให้เขาดีขึ้นให้เขารรมีความสุขขึ้นใจเขาจะสบายใจขึ้นมันเป็นไปได้กไหม ตัวตัวอย่างองค์พระจรอมลายบ ร, รมาราตถาสดาสมาสัพพุจิตต์จ้าผู้ทรงเป็นพ ร, ร, ระบรมครูของเราสิพระองค์ทรงเข้มแข็งแล้วตัวพระอรหันต์ของพระองค์นะั้นแต่กล้าท่านพร้อมสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วพระอรันต์ของพระองค์นั้นไม่ขาดสายที่ยังหยิดยั้งในกระหมดสัพพัสทั้งหลายไม่เด้จ่าจงว่าบุคคลจะเป็นใคร ขอให้บุคคลคนนั้นเข้าขอบขายพยานของพระองค์จึงจงสามารถจะโปรดได้จงเคาะได้พระงก็จะไปโปรดในกรณีสมัยนี้ที่พระทธเจ้าของปัจจุบันยังทรงรงพระสญชีภูตอยู่หลงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆท่าปะปาจาราเสรีเคยฟังไหท่านปะปาจาราเสรีเป็นโลกเศี แต่ท่านก็มีกรรมใจของท่านก็เลยไปยินเดีกับผู้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนยากจนเนขาเรียกคนหายขาดนแต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีคนเดียวใจของท่านมันกระตับกระใสเป็นลม อ, อยู่ไม่ได้ก็ตาตามผู้ชายหนีไปอยู่กันในป่า คนที่ไม่เคยทำอะไรเลยลาบากระบนจะก็ต้องอดทนทำราะความรักกับผู้เป็นสามีขอ ง, งตนอยู่ไปอยู่มาแต่งการตั้งต้อตนตนัลำากพอเป็นสาของกลางก็ต้องไปคลอดลูกที่บ้านบ้านพอบ้านแม่ไอ้ท่านจะกลับไปสามีก็มาอยากกลับเพราะกลับไปก็โดนตีนะ อีกขโมยลูกสาวเข้ามาโดยแน่นอนก็กลัวจะ ต, ตายจนภรรยาแล้วก็ยังไงก็จำกลับจะไปคลอดลูกอยู่บ้านสอบบานในให้ได้ก็หนีตามมีออกไปสุดท้ายสามีก็มาตามทันก็ถามอันนี้กลับยังไม่ได้จะกลับถึงบ้านก็คอดลูกในป่าเป็นอันว่าคลอดแล้วทำไมกลับเดยวไปอยู่มาสักท้องอีก แต่ท่านก็ตัดสินใจอย่างนี้อีกตามนี้ก็เดินตามไอีกก็ไปเจอกันในป่าแต่ทีนี้จบปักกันะทำให้ท่านต้องตกเศร้าเสียใจอย่างมาหันนะหาคนที่จะพบประสบประสบชีวิตอย่างท่านอย่างนี้หายากมากตามที่มาเจอในป่าก็จะภาต่างกับ ท่านก็จะตรวจท้องจะคลอดลูกให้ได้สามีเขาไม่จะทํำยังไงไอ้ฝนฟ้าก็ค่อยคลิดกระนองฟ้าก็าเปรียงลมก็แรงเนี่ก็จะออกลูกทำงไงก็จะหาที่มุงที่บงังมันก็ไม่มีอะไรในป่าที่มันจะม่งบังได้อย่างดีสามีก็ออกมีดนะเขาไปตัดหาโดยที่ที่มันจะมาจะบงังแดะบงัล ง, บงลมบังฝนได้บงัง ก็ไปเจอจำโปร ต, ตเขา้าใจกันมารลคิดว่ามันจะมีอะไรในจำโปรจำโปรมันจะงอขึ้นมาพอบางฝนบางลมได้บ้างก็เข้าไปจะตัดกิ่งไม้ไอโง่เงห่าที่มาอยู่ในนั้นมันโดนฝนแล้วมันก็ออกมาแล้วก็ตกกะท่านก็กสกเสียชีวิตไปนจนฝายภรรยาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าคนไม่ไหวไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้และทุกขเวทนาแตกกล้าลูกก็จะเด็กออกมา สุดท้ายไปก็คลอดลูกออกมาไปไหนไม่ได้ลูกชายอีกคนหนึ่งก็อยู่ด้วยลูกน้องคนน้องพวกอี้ออมาใหม่ก็จะเอาไว้ในอบตัวเองก็ค่ำไว้ทรมานไนหะมทรมานจากใจทีเดียวนะคนเป็นแม่เนี่ยลูกชาอผิลูกก็กร้องแต่ก็ไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ที่มุมที่บางได้ คนได้เป็ล่าผลมาจากตามลงมาจะคล้อยขึ้นจิตก็ประวัตินึกแต่สามีว่าทําไมไม่มาจะระอยู่ที่ไหนจะเป็นจะตายอย่างไรก็นล็กอยู่อย่างนี้ทรมานตั้งใจทรมานตั้งกายพอฝนมันตาแล้วท่านก็พยายามประยุงร่างกายของท่านเดินไปทาที่าสามีาเดินไปก็พบตามมีที่เสียชีย ว, ยวิตกันแล้ว ความเศโศกเสียใจก็ามากอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีความหวังสุดท้ายก็กลับไปบ้านเถิดยังไงเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็ได้จูงลูกคนหนึ่งอุ้มลูอีกคนหนึ่งเดินทางกลับไปบ้านใอ้ใจมันก็ต้องข้ามนะ้ํามันเป็นแม่นะ้ําที่มันไม่มากนะคแต่เวลาฝนมันตกนะ้ํามัน่วนเยอะน้ำมันก็ไหลแรงแค่คิดว่าเราจะต้องเอารูกไปกีเดียวสองคนเราไม่ไหว กำลังกายกันไม่พอโโก็เลยเอาลุกคนเล็กออกมามใหม่ๆข้ามไปก่อนจนลูกคน n ตก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหน่งเดนข้าไปแล้วเอาลุกคนเล็กไปไว้อีกฝั่งนึ่งเอาใบ ไ, ไม้มาลองๆไว้ตจะที่โลงๆแล้วก็เดเินกลับมาจะรับลูกคนโตพอได้มาถึงทานแม่น้ำทางสายน้ำที่มันไหลเชี่ยนนะ เวรกรรมต า, ามาามันจตามอะไรขนาดนั้นก็มีนกเห ย, ยว่มามันเห็นเหยื่อมันก็โผลเข้ามาจับเหยื่ยอมันมันไม่คเคยรู้ว่าเป็นอะไรหรอกรู้แต่ว่าเป็นเหยื่ยอก็จับเหยื่อเด็ดขาลูกน้อยนั่งขึ้นไปในอากาศพุกเป็นแม่ก็ร้องเพื่จะขับไล่ให้ลูกของตนนั้นปลอดภัยเมื่อก็ปลักไปตะกนวกเวทไป ลูกชายที่อยู่ฝั่งนั้นนึกวแม่เรียกให้มาก็แดินเลยน้ําไปยังไม่ไปเท่าไหร่ก็ไม่จับมาจะตัง้งสายกระแสน้ำไหลไปตามน้ำต้ตัวคนตราหน้าตาก็ยังยังพอทําใจได้ว่ายังมีที่พึ่งจะต้องกลับไปบ้านยังมีพ่อมแม่ของเราอยู่เห็นว่เสียใจจับติดจับใจยังไงแต่ก็ยังมีที่ไปที่ไปยังมี เดินทางกลับบ้านต่ตามมันรองห่มร้องให้เสียใจสามีก็มาตายลูกภรรยาลูกของเราก็มาตายสองคนวันนี้มันต้องเป็นวันอะไรของเราแต่ไปถ้าก็เดินทางจะไปทางที่บ้านก็มีที่ตายคนเดินเดนสวนมาเป็นรลาก็เลยถามว่ารู้จักตายพวนี้ก็เป็นบินดามารดาของตอนไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างตาเมันกาอยากถามเราเลย เมื่อคืนนี้เจรู้ไหมว่าฟ้าฝนแรงรู้มันเป็นวันที่เดืดร้ายสนักทขันมากต้อไม่ว่าไปบันของขันแล้วถ้าการจะบอกอเจรู้จักไหมราผู้นี้ก็เป็นบิด า, าของเราราผู้นี้ก็เป็นบรรด า, าของอะไฉันบอกเมื่อคืนนี้เดขีบ้านเดขีที่เเจว่ามันเนี่ยฟ้ามันผ่าบ้าน ก็เป็นเศรษีผู้ชายเศรษฐีผู้หญิงแม้กระทั่งที่ตายอีกคนนึงก็ตายตายหมดทั้งบ้านไม่มีอะไรจะเหลือแล้วทีนี้มามือเพื่อนจริงๆนะแล้วใจจ ะ, ปะไปอยู่กาอะไรตอนนี้จะเปิดไม่ได้แล้ว จะต้องต้าโตเกเสียใจอย่างมากมายขนาดนั้นอะไรก็ขึ้นมาได้ไม่มีแลในใจท่านนี่คือความประจักกระจายในใจที่เดือดร้ อ, รอนอยู่ตลอดเวลาโหยนคิดเป็นความทราวจากคนที่ท่านรักมากๆตอนนี้ชีวิตของท่านจะนตาดประจ่อะไรละหมดแล้วนี่ตับประจ่าก็ไม่มีสามีก็ตายลกกูกจะรักก็ตาย ก็เป็นดิดามบรรดาที่ชายผัสหายตายหมดเลยให้ไปอยู่อยบากครสติละหลักขันเพื่องผ้าจีขาเล้งเล้งไปหมดกลายเป็นคนเอะอะเปือยกายร้องผมร้องให้เดินไปไหนก็มีแต่คนเป็นเกลียดขับไล่ไปไ้เอาดินบ้างเอาหินบ้างเปลือนกันบ้าง แต่ถ้าเป็นบารมีที่ท่านทํามาในอาัาต์ในชาติก่อนๆนี้อยู่ว่าท่านจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์เด็จพระจินดาสุบรมมาศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัวอุปอวบนิสัยของสัตวเห็นเธอเข้าเข้าข่าวเพ็คเข้าขายพยา่ต้องประเสด็จประทับยักยั้งในป่ามีป่าตาคนคนชาวบ้านก็มาตั้งใจฟังธรรมท่านก็โดนใจให้ท่าจปะปาจาราเถรเล่พวกนี้ที่องค์เนี้ยเวลานี้ก็เป็นอรหันต์แล้ว เป็นใจให้เดินทางมาทางนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จงได้ตาส อ, อ, อ, องข้รสองทจริงๆแล้วคำตรัสของพระพุทธองค์นะก็พื่อให้เธอเนี่ะปล่อยวางสมัยนั้นนะแค่ท่านเดยปล่อยวางให้ยอมรับความจริงว่าน้องหญิงดู ก, ก่อนพัชรินีดูก่อนน้องหญิงเจริญเจ้าตงศ์เสียใจไปใหญ่ เป็นสิ่งที่เจอได้พัดตาจากไปไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นัำตาของเธที่ต้องมเาเศร้ตกเสียใจหลังไหลอย่างนี้มันมากมายเทากับยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีกด้วยน้งท่านช่วยกําลังของพระพุทธเจ้าในตาสองคราะท่านก็เลยมีส ต, ติกลับมาเกิดตามละอายตาบ้านก็เลยเอาผ้าให้เสอได้ห่ม ที่เรื่องเมตาตัวเองไหมมันจะเข้ากันไหมเนี่ยก็พิจารณาต่อไปเพราะความเมตตาของพองระพรทาเจ้แต่บรมบาลปติปดาไม่ใช่จดตรงช่วยแั้จะรู้ว่าท่านผู้นี้จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะปกต้องไม่เกิดแพยอันตรายใดๆมันเรื่องเป็นเรื่องที่ทำไม่ยาก จงเพื่อพระธรรมสัมพุิธเจ้าก็รงนัดปล่อยให้เป็นไปตามกฎของกรรมบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเห็นวาราชี่บุญให้ผลพระองค์ก็ส่งเคราะห์ได้ถึงนวาราที่อาุญส่วนให้ผลพระองค์ก็ไม่สามารถสงเคราะห์ได้ก็ต้องวางใจวางลงไปในกฎของความเป็นจริงเห็จะมีตจงจะมีแม่ตาหาอปปัญญาที่อปปัญญาหาไม่ได้ เป็นู้ที่มเมตตาหาประมา่ไม่ได้นั่นเองยิ่งป่เราจะติจนาความเมตตาที่องค์ตรงนี้จะต้องยักยั้งในความเป็นจริงว่าทุกคนต้องดําเนินไปตามกรรมไม่มีใครก้าวล่วงในกรรมของใครได้จะพอเข้าใจไหมเมตตาเนี่ยถ้าไม่ยุ่งกับกรรมของใคร หมายถึงว่าไม่กล้าลงไปในอำนาจของกรรมของใครเมตตาของเจนก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเมตตาของเจน่ะมันก้าล่งไปตบกบกตอื่นเกินกดของกรรมของเขาไปตบกับของกรรมของเขา เ, เรรขอเ า, เาจากใจที่เต็มด้วยความเมตตาหยุดยื่นเลยเกินไปเขาด้วยปรจจันหานี่มาเจอเมตตาแล้ว เลยจากคําว่าเปิดกฎของคําว่าธรรมดาเขาเรียกว่าตัญหาแล้วพราะปัญหาเกิดขึ้นทุกก็เกิดขึ้นทันทีถูกไหมเพราะปัญหาเป็นเหตุของคําว่าทุาเกเปิดเมื่อไหรก็ได้ปัญหาก็เกิดมาดังตอนนี้มันไม่ได้ติดกับแม่ตาแม่ตาแล้วไม่ทุกตามแม่ตามันไม่ได้นำมาจึงความทุก แต่ตังหามันนำมาเป็นความทุกขใจอันนี้มาโดยตัวเราเองบ้างที่บอกว่าทํำไมไม่เมตตาต่อเราบ้างมองโดยตัวเราก่อนสิพระพุทธเจ้าทรงเมตตาพระองค์ก่อนทรงกระทํากิจของใจของพระองค์ให้ถึงที่สุดก่อนจะในเวลาใดกันรลองก็ทรงสงเราะห์ผู้อื่นเหมนกันแต่ก็ไม่กล้าลวงลุ่งเกินกรรมของใครเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้น เอาควาได้ตามมาใม้ตาตัวเองก่อนทําใจขอเราให้ดีซะก่อนถ้าใจของมเธอไม่โปร่งใสใจของเธอยังโง่อยู่ยังกระตับกระใจอยู่ยังแบบตัณหาปิมใจของเธออยู่ จ, จะไปช่วยกับคนที่เธอต้องการไปช่วยไม่มีทางเป็นไปได้การได้ตาของเธอมันไม่มีประโยชน์กันแล้วถูกไหม เพอาะเมตตาของเธอมันถูกครอบนากลับกลายเป็นปัญหาไปแล้วแต่ถ้าเราเมตตาตัวเราเองสงสารตัวเราเองเราก็ต้องพยายามรักษาใจเราให้ดีสะก่อนพอใจเราดีเสร็จแล้วตอนนี้แหละเมตตาของเรามันจะไม่เป็นปัญหามันจะเป็นเมตตาจริงๆมันจะตกแล้วออกไปด้วยตามเมตตาจริงๆเลย ทั้งเพราะไม่ไดสติสัญญาที่รู้ความเป็นจริงว่ามันจะอะไรความทุกข์จะเกิดมาจากไหนมันไม่เกิดมาแน่เพราะไม่ตามันเป็นกรรมฐานกองที่เย็นมันนำมาที่ความเยือกเย็นของใจตามตัวนาก็ทําให้จิตใจนั้นเย็นเมื่อจิตตาตามยินแสดงตามยินดีนดก็จิตใจก็เยือกเย็นความค่ดเข้าใจในสฎของคำาธรรมดาเึงวางลงไปว่าไม่จุ่มกับกรรมของใครได้ มันก็ทำให้ใจของท่านคุณนั้นเยือกเย็นสงบมันจะร้อนร้อนไม่ได้แต่สิ่งที่มันปลุกแสดงออกไปแล้วเกิดความเร้อนร้อนไม่นใช่เมตาแล้วจะอางว่เราสงสารไม่ใช่สงสารนั่นปังหาจะพเร า, ารักเมตตาขอสงสารเข่าจริงๆอยากช่วยได้ไม่นใช่เมตตาเป็นปัญหาเป็นกิเลสปัญหาไปแล้วเป็นสุปทานแล้วเป็นอคติแลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับใจของเธอแล้ว ทิ้งที่ว่ากิเลสก็ดีตั้งหามก็ดีอัปปทานก็ดีอัตปจลลกรรมเปิดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อเธอศืนบทของคําว่าธรรมดาและคำว่าธรรมดาในที่นี้หมายถึงว่าทุคนมีกรรมเป็นของของตนองค์เสด็จพระทธเทจากเก้าตรมมาสัตตะดาสัมาสามัมพุทธเจ้จาจงเล็จปฏิบัติให้เราได้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าให้เจ้าล่งไปสู่กรรมของใคร ต้องได้ตรวจปฏิสัยของจัดแล้วว่าบุคคลผู้นี้มีบุญมีวาระแห่งบุญที่สงเคราะห์ได้จึงไปสงเคราะห์และการสงเคราะห์อของพระองค์นั้นไม่ได้สนใจว่าคนอื่นนจะคิดอย่างไรถ้าบุคคลผู้นี้จะมีมักมีผลพรเจ้าก็สเสด็จไปตรวจเหมือนกัรั้งที่พระพุทธต้าทงสเสด็จไปตรวจท่านอ่อตามท่านแม่ตามจะ่เป็นพ่อแม่ของนางคันธิยาเอง ฟังไงว้ละเรื่องนี้หลวงพ่อก็เล่าไม่ฟังบ่อยพ่อแม่เป็นรามลูกก็เป็นรามแต่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีวิชาความรู้ระ้ับสากลพยายามจะหาผู้ชายเหมาะสมกับลูกสาวเพราะลูกสาวาทุกคนเสวยผู้ชาผู้ชายคนนเนี่ยมันไม่เหมาะสมพรารู้ว่าต้องลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นคนมีบุญวาสนาบา ร, รมีตรงนี้เขาจะโดดเป็นแล้วเ้าโดดเป็นก็ต้องเลือกสรรผู้ชายดีๆเพื่อให้ ตูกสาวเขาได้ผู้่ายที่ดีที่ความสุกวันนั้นพระพุทธเจ้าจเกิดอุป น, นิสัยของดัตถิเห็นท่านสองคนผูเนี้พ่อพามแม่พามผูเนี้ข้าในขอบข่ายพยานยของพระองค์ว่าตรงสมงพระคู้สองคนผู้นี้ได้ให้สามารถบรรลุธรรมได้จึงตรงสเสด็จไปโปรดแต่การสเสด็จก็ตรงทรงรู้ว่าสองชายายผู้นี้มีวิชาสอรู้ว่าทรงประทับ ลอยประทับบาปขององค์ไว้แล้วก็ต้งเดินหนักออกไปพอสองสามีภรยามาเห็นขา้าวั๊ก็รู้ทันทีว่าชายที่ชายคเนี้ยเป็นคนที่มีผุนนะเห ม, หมาะสมที่จะได้เป็นสามีของลูกของเราแต่กระลุนรู้ติว่าชายคเนี้ยติดสิสเลตแล้วจะหาชายโดยมันจะเหมาะสมกับลูกสาวของเราคงไม่มีแล้วต้อเอาคนนี้แหละ ไปซื้อขอเันได้เงื่อนจะได้มาเป็นลูกขลเขยก็พระเจะ้าพระสงฆปรากฏเขาก็เห็นก็จะยกเจ้าสนธนาพาชีก็จะยกบุตรสาวให้ตัวง่ายๆแต่นะจะพูดอะไรกันบ้างเกิดไม่ทันนะก็พระเจะ้าพระสงตัดจันเลยคําว่า ร่างกายของลูกของของท่านเนี่ยคิดหญงสาวผู้นี้ยจะกระปรบยิ่งกว่าเท้าของเราสุดเป็นไงให่มากไหมต้องสวยมากนะโ อ, อ้พ่อแม่รักมากท่านรับสนองอย่างดีต้องเลือกสันพิไทยอย่างดีเลยก็ต้องสนองคนนะที่เกีมันาต้องมาขอบคุณนะ เ, เราในต้องเกเอนะเกิดต่ตางๆไม่เอามาเป็นหัวไงอย่างนั้นใช่ไหมพรเดิน ทำพุทธของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัออกไปอย่างนี้เข้าเป็นอย่างประกอบไหมเคยโกรธนะมากไอ้คนแต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับเข้าใจความจเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไปด้วยพอพระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเจตนารกฎสองสามีภรรยายก็เลยเป็นพระอนาคามีแต่ลูกสาวคนดี กายเป็นทางพุทธะพุทธรัตน์พระพุทธเจ้าเวลานี้ยังอยู่อเวจีมหานรกอยู่เลยความแม่ตาของพระพุทธเจ้าในเรื่องอย่างนี้มีคนคิดเยอะทําไมพระพุทธเจ้ากระทาอย่างนี้ทาไมรู้อยู่ว่าตัวคนผู้เนี้ยจะต้องตกอเวจีทำไมพระองค์ยังปล่อยให้เขาตกทำไมไม่กันจ้าอย่าให้เขาได้ยินทำไมให้ เราต้องคทําได้ดูคาดภาพข อ, องค์พระองค์เนี่ยนะครับเรามาไม่ได้จนเราทำจุดนี้ได้แยกพ่อแยกพ่อแม่กับลูกออกจากกันได้ถ้าได้ยินไงแค่สองคนก็ได้อีกคนไม่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คำนึงถึงบุคคลผู้จะต้องมีมรกมีคนส่วนผู้นั้นเป็นผู้ทําบุญทำบาปของเธอเองคิดเองเข้าใจ เ, อ, เอง เมื่อเธอเข้าใจไปอย่างนั้นไปตามกรรมแรงกรรมของเธอก็ดีไปตามสุปท า, าที่เธอยึดมันมม่นใหม่มั่นก็ตามก็ช่วยไม่ได้แลจะพระพุทธเจ้าใจดำน่ะจะต้องนำมานเป็นตัวอย่างนะว่าพระพุทธองค์จะเป็นครูของเราจงปฏิบัติให้เราได้เห็น ตรงๆสั่งสอนในนิยตัอย่างไรโดยน้ำพระทัยจึงจะไปตามเมตตาหาประมาณไ่ได้มีความสงสารเมตตาประมาณไ่ได้แล้วเราคนธรรมดาเดินดินอย่างเนี้ยกับต้องมาเปทุกข์ใจทรมานใจกับิ่ที่เราได้ยิดยืมคามไมตตาความรักภาวณาตามสงสารออกไปที่เราไม่ใช่ตามทุกที่เกิดจากความรักแล้วไม่ทุกก็เกิดจากความสงสาร แ, แล้วทุกตลอดเกิดของคำว่าธรรมดาเสร็แล้วมันกลายเป็นตัญหามันกลายเป็นความเจ้าห ม, มองจีริวัากิเลสมันกลายเป็นการยึดมั่นหมายมั่นวัดเป็นนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วเขนะ้าใจไหมฉันขอเร่งปากว่าขอทุกคนเนะี่ยต้งหันกลับมาโดยใจของตอนเองก่อน ตรงเมตตาสงสารกับตัวเองเจ็ดกองก่อนที่จะหยุดยื่นตามเมตตาให้กับใครถ้าเมื่อใดที่เกิดเมตตาสงเคราะห์ตัวของเธอสงสารตัวของเธออย่างดีแล้วความเมตตาและความตัวณาที่เจอหยุดยื่นออกไปมันจะเป็นมันจะเป็นเมตตาจริงๆที่ไม่มีอะไรปะกนไม่มีปัญหาเข้าไปเกี่ยวพันมันจะเป็นคามตรวณาจริงๆไม่มีปัญหาเข้าไปปะกัน และจะเป็นตามวิตร์นาที่แสดงถึงต่ำขึ้นขึ้นใจในใจของเธอผลก็จะไปเกิด ข, ขึ้นกับบุคคลที่เชื่อในศานาและกรุณาอย่างเต็มที่เตมหน่วยนั่นหมาว่าเธอไดกระทำกรรมาฐานในกองคงวิหารสีอย่างถูกต้องคงวิหารสีจะเป็นกรรมาฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบในการปฏิบัติจำไว้นะทุกคนจะ ต, ต้องเลือกตาตัวเธอก่อน สงสารใจของเธอก่อนกระทําให้ใจของเธอนั้นมีความเข้าใจในคำซะก่อนถึงจะเอาลงโอเบขาซะก่อนในความปไปกินทั้งหลายแล้วเกิดแสดงใจของเธอออกไปเถิในความเมตตากับใครก็ได้ในปความสงสารกับใครก็ได้ทำไปเถิดเธอจะยินดีกับใครก็ได้มันจะมีความอิ่มแล้วก็ย็นจุ้มจื่อใจตลอดทุกจุกนีก้จะไม่เกิดขึ้นในใจของเธอเลยในกรรมาฐานกองนี้ แล้วก็จะปฏิบัติภูมิฐานสีได้ต่อเนื่องจะ ต, ตื่นยันหลักท่าจะมาบัดของเจตประสงคตัวดีพักควรเป็นของง่ายนะเพราะท่านไ้เคยมีปัญญาในการพิจารณาธรรมได้อย่างง่ายด้ถึงต้องเจอเป็นของรักษาง่ายาปฏิบัติไม่ยากทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องง่ายไปหมดเลยเขอ้าใจไหม งั้นกลับไปต้องทบทวนไถ่ครวรพิจารณาว่าเราไม่มีเมตตาจริงไม่กรุณาจริงจะพิเอาออกไปไ ม, มันใช่ ห, หรือเปล่ามันใช่เมตตาหรือเปล่ามันใช่กรุณาหรือเปล่าหรือมันเป็นกิเลสปัญหาหรือมันเป็นปุปทานอุปสรกรรมกันแน่ถามใจก่อนที่จะทำลไยลงไปถ้าเราจะทำได้ใจเมตตาจริงๆไม่มีอุปทานไม่มีปัญหาไม่มีความเศร้าหมองเจือพน จะทำไปเสร็จแล้วแสดงตัวนี้เอาไปเสร็จเธอจะได้มีความติดขันอีในขณะที่ตัวได้แสดงความไม่ตา จ, จากใจของเธอไปสู่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามยิ่งเป็นคนที่เจอรัะเธอก็จะใช้ใจของเธออย่างเต็มที่เต็มหน่อยไม่ต้อมีแต่ใจที่เต็มเรื่ความไม่ตาจริงแต่เวลาออกไปมันไม่ใช่ตัประมาณมันจะจะยื่นดอกไม้ให้เขา จะเมือนกับกายให้โทษแบบไม้เป็นกลายเป็นโมพิษแล้วมาไปกัดที่เขาเป็นโทษเข า, าก็นต้องนั่งสำน็กตัวเองว่าเรานี่กลับกลายเป็นผู่ที่ทํำให้เขานั้นเป็นทุกข์ก็เพราะเรารแสดงสิ่งที่ออกจากใจเราไปมันไม่ใช่ในตาแต่แล้วแต่มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอ ก, กุศลและการออาด้วยอุปาทานด้วยมันก็เป็นพิษแน่นอนเพรนี้เป็นสุยาพิดนะกไ ห, หาตัวสิ่งที่นาํามาทึ้งความทุกข์ เคยนำจิตยึดให้กับเขาจะนําตามเจ้าหมอไปหาเขานำอุปทานที่เจอเป็นไม่เป็นเหมือนไปยึดยึดให้แก่เขานำอคติละกันไปให้ เ, เข า, ะละ า, เเขาแล้วเคยจะได้อะไรกลับมานอกจากเป็นนั้นนันกลับมาหาเองคามเจ้าหมองคามปุ๊บตามยึดมั่นไหน ม, มัน่มาจั่วกูเป็นเขาเป็นหล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นกรรมเป็นมนโนกรรมเป็นวจีกรรม เป็นใจยัยกับแอนจะไม่พูดให้มาละเอียดนกนะจริงๆมันละเอียดแบบนี้จะพูดให้เเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ว่าญาณอาจารย์ท่านปฏิบัติจันมาในภพมิหารสี่ท่านกระทำด้วยตัณคิดคิดพิจารณาในการปฏิบัติตอย่างไรโดยต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรมันเป็นภพมิหารสี่อะไรมันสี่สิเลตและกัรหาอุปทานอกชนละกัน มันไม่ใชกกันเดียวกันนะตาไมตาจริงๆงรวมๆมันเยือกเย็นมันเป็นความเย็นและเป็นความตุบทั้งผู้ให้และเขาผู้รับนี่เป็นเครื่องสังเกตได้เลยว่าถ้เามเมื่อใดที่เคยตุบแสดงถึงความไม่ตาออกไปจริงๆแล้วเควเนี่เยือกเย็นใจผู้รับ ก, ก็เยืเกีย็นใจนั่นแหละคือได้เคยได้ใช้ใจของตนที่เปลี่ยนความไม่ตากระทาลงไปนะ ถ้าเรจะบอกว่าเราเป็นคนยิ่งมากไปตามไม่ต่ำมากไปตามสงส า, มารสามันดีไหมจ้ตาตอบว่าดีแต่ที่มันไม่ดีมันไม่ใช่เพราะตามไม่ตาสงสารแต่มันเป็นปัจจัยปัญหาของเราต่างหากเ ข, ข้าใจไหมเวลาก็าพอสมควรนะแล้วคอย ใ, ใจตั้งต้นใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นารมครูของเรา ในสิงคโปร์บาอาจารย์สืบสืบกันมาเป็นนลวงปู่ ป, ป, ปาหลวงปางหลวโคพระเดชพรคุณหลวงพ่อพระราชพุ ม, มายาเป็นที่สุดและลกวก็ญญาาาาทั้งสู่ใพระคุณทั้งหลายสมเจววดานน้ำฟ้าปัญญชนญาปัญชาจารย์เกษมหาราชทั้งสี่เป็นที่สุดกราบขอพระคุณท่านทุกทุพระองค์ที่เมตตาสำครอบเรานะาาแต่เมืราได้มีโอกาสมานั่งปฏิบัตปฏิบัติที่ น, น, น, นี่ได้มีโอกาสใช้เวลาเอาเวลามาปฏิบัติใจของเราและมาเรรู้ความเป็นจริง อันเป็นปัิรรมที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอเราเราจะได้นำสิ่งนี้เอามารับตาแจเราทำาห้เราเป็นสุขนั่นเองแล้วเมรรื่อเราเป็นสุคนใกล้ตัวเราก็จะไปเป็นสุกไปด้วยาการาบขอพระคุณทุกุพระองค์ทัานในตาสมเกะ้์เรานะ